ปรัร่างกายให้ตรงเสมอปรับอิจใจให้ตรงเสมอปรับทุกอย่างให้ให้เรื่อยๆปรับเรื่อยเพราะโดยธรรมชาติของมันมันจะไม่ตรงมันจะไม่ตรงกลางมันจะต้องไปข้างหน้าข้างหลังตามกฎของอนิจจังแต่การที่จะให้มันตรงมันตรงกลางให้มันพอดีเนะี่ยต้องใช้สติปัญญาคอยปรับพระทสามพะสัตว์ทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบสิน้นเพราะมันไม่รู้จักกฎอันนี้แต่พอพระพุทธองค์จรัสรูปปับ๊บ ท่านมาเห็นกดอันนี้อ้อกดอันนี้เป็นกฎที่การมีการตั้งตังตวและสิ้นสุดมันไม่เป็นการลักษณะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเส้นตรงกับวงกลมเส้นตรงเมื่อเราโลกโดยทั่วไปด้วยการหมุนของความสุดโตง่งก็เป็นวงกลมแต่พอพุทธโอมาค้นพบว่าชีวิตถ้ามันไปหมุนกับวงกลมมันไม่มีที่ที่จบต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยตลอดกลับตลอดกัน น, นั่นคือการเวียนว่ายเกิดของทุก <c oughs> การเกิดของทุก แต่เมื่อมาพระองค์มาพบขีดผ่ากลาง ร, รับเป็นเส้นตรงที่หนึ่งเลขหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการค้นพบกฎของในอลาบิกเนี่ยเลขหนึ่งจะเกิดขึ้นในกลางวงกลมนะล ง, ลงพิจารณาเรื่องนี้มันจะสอดคล้องกันโดยบังเอิญหรือผู้รู้ทั้งหลายได้ค้นพบศาสตร์ทางวัตถุแล้ว ม, มันตรงกันโดยอัตโนมัติ การชุดต่งหรือการลักษณะของใจรักมันก็จะหมุนไปเป็นวงกลมพอตั้งสติปั๊บขีดผ่ากลางปั๊บมันผ่าผ่าวงกลมออกเป็นเลขหนึ่งพอดึงเลขหนึ่งมาครึ่งตรงวงกลมครึ่งเกลดกางวงกลมแล้วยกไปข้างหน้าแลกลับมามันผ่าวงกลมเป็นสองเส้นกลายเป็นเลขสอง แต่พอคุณชักเครื่องบงกลมด้านซ้ายมาผ่าลงแล้วก็เดินตามเส้นที่สองแล้วกลับมาแล้วก็ผ่าลงตามเส้นตรงแล้วขยับไปด้านซ้ายเส้นล่างมันกลายเป็นเลขสามนึกภาพออกมาเพื่อเห็นเป็นรูปธรรมมาให้หมั่วมันเถอถ้าพูดเนี่ยมันนึกภาพไม่ออกมันมั่วได้แต่ถ้ามีกระดานบอร์ดที่ชัดเจนเรจะเห็นว่าอ๋อทฤษฎี ของความไม่สิ้นสุดของบุงกลมเนี่ยเรารู้มันไม่ได้แต่พอท่านผู้รู้ทั้งหลายมาค้นพบในการผ่าโลกคนละครึ่งมันกลายเป็นเลขอารบิกที่นับไปแล้วไม่มีที่สุดเหมือนกันแต่มันกลับเป็นไม่รู้คุณจะหาคุณเออพ่อเห็นอยู่นะคุณลองดูก่อนเป็นเพิ่มมาเนตนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่สอนที่ศีพิเศษเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แหละนะ ในวงกลมที่เป็นทุกขงังนะิจจานัตตา ม, มันสมมติเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือวงกลมรอบของการหมุนเวียนของดูให้กลมแล้วกันนะถึงไม่กลมก็ตามแต่เมื่อผู้รู้ทั้งหลายมาตรัสรูปร้ปัท่านเห็นว่าเอ้าแล้วเมื่อไรมันจะจบเท่าที่อ่าวนึงเนี้ยเป็นขอบกระดงไม่มีที่จบพอท่านได้ค้นพบว่าเออกฎของ เส้นตรงมันน่าจะต้องมีการซีสิจบกลายเป็นหัวทำไมเลขหนึ่งจึงมีหัวอย่างนี้ mm hmm. ก็มันไปนจากตรงนี้เองที่ไปขึ้นมาแล้วทำไมเลขหนึ่งต้องมีตีนก็ตีนมันเกิดตรงนี้เองเพราะนั้นเลขอารบิกจึงเกิดจากกำเนิดจากวงกลมแต่พอมีหนึ่งมีเริ่มงต้นมันก็ต้องมีสองเพราะนั้นเลขสองทำไมต้งมีหัวเพราะมันมาตรงนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้กลายเป็น เลขสองเป็นนงงี้นีกออกมาอันนั้นคือมาอยนี้เลขสองพอเป็นเลขสามปับ๊บคุณมาตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้เข้ามาอีกนิดหนึ่งึ้นมาตรงนี้เป็นเลขสามพอเป็นเลขสี่ปับ๊บคุณดึงมาตรงนี้ใช่ไหมพอเป็นเลขห้าปับ๊บมันเกิดการพา่าพอเป็นเลขหกปับ๊บมันเกิดมาเป็นี้เข้ามาหางเลขห เลยมาเลยใช่ไหมแล้วมงองงอหัวดังนั้นทําไมเลขเจ็ดเราสงสัยว่าทําไมเลขเจ็ดต้องมีขีดการก็เพราะขีดตัวนี้เองใช่ไหมคือขีดตัวนี้เองทันไมเจ็ดเลขแปดยิ่งชัดใหญ่เลยใช่ไหมพูดจะหมุนตัวนี้อันนี้ก็ได้จะหมุนตัวนี้มาตรงนี้ก็ได้แปดเลขเก้าเป็นไงมาตรงนี้ขึ้นมาก็คือเลขสิบยิ่งชัดใหญ่เลยใช่ไหมเลขสิเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันคือค้นพบ การกดถึงการเกิดดับคือหนึ่งกับศูนก็คือเลขหนึ่งตัวนี้แล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้ครบไหมเลขสิบตัวและเลขสิบตัวเองสามารถผันไปได้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหลักก็เกิดจากกลุ่มๆเพราะฉะนั้นโลกและจั ก, กรวาลที่กลุ่มๆนี้เองมันก่กอกําเนิดให้อะไรมหาศาลในตัวของมันเอง ทั้นั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าเขาเด็กมันจะถามว่าเลขทั้งสิบตัวมาจากไหนแต่ถ้าเลขไทยรู้ไหมว่ากำเนิดมาจากไหนเลขไทยที่มันยิ่งใหญ่กำเนิดมาจากไหนเรื่องนี้คุณราชันต้องรู้ดีเพราะเป็นศิลปินศิละปะถ้าไม่ทราบก <laughs> ็จะเป็นศิลป์เปรตทันทีเหมือนกัน <laughs> เลขไทยนั้นมาจากเปลียวใช่มมาจากเปลี่ยวไฟลายไทยลายกนก มันก็ใช่ไหมลักษณะของเปลวไฟซึ่งมันจะขึ้นอย่างนีน้แล้วก็มาดัดแปลงเอาสิ่งที่มันกลมมันงออะไรทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นเป็นเลขไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เนี้ยคุณอาจจะประยุกต์ ม, มาจากหนึ่งสองมันก็มาจากไอ้พวกงีง๊ ก, กงอทั้งหลายในลายไทยนั่นแหละเป็นลายเปลวลายกระดูกต่างๆคือลายพระอาทิตย์ พันเลขไทยไปไกลกว่าโลกคือเอาพระอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราต้องยกตัวเองนิดนึงเพราะนั้นเลขอระรบิกงทั้งหลายมันก็มาจากโลกภูมิภมแต่เลขไทยมาจากพระอาทิตย์ครอบจั ก, กรวาลเลยเราก็เลยมีความภูมิใจโดยเฉพาะเลขอะไรที่เห็นนะ่ะใช่ไหมมันก็ในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นตัวศูนเหมือนกันใช่ไมัมคือหนี้ไม่พ้นตัวนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะให้เห็นว่าการ ที่เราทำสั ญ, ญลักษณ์ในตัวของเราที่ออกมาจากสั ญ, ญลักษณ์ของโลกอะไรกลมกลมทั้งหลายส่วนนะไม่ว่าตาก็กลมหัวก็กลมอะไรต่างในตัวของเราเนี่ยมันกลมกลมยาวๆก็กลมกลมมันก็พัฒนาการทั้งทั้งทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าชีวิตของเราคือมันประกอบด้วยส่วนห ล, หลายส่วนมารวมกัน แล้วด้วยความไม่รู้ของเราเราไปสําคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นของโลกของจักรวาลของธรรมชาติมารวมกันเมื่อเราเข้าใจในส่วนหลักแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาอุปทานของเราได้ง่ายขึ้นว่าอันมันไม่ใช่เรานะแต่มันเป็นผลพวงจากวิบากรรมต่างๆด้วยความไม่รู้ของบรรพบุรุษโดยไม่รู้กฎอันเนี้ยไม่รู้กฎของอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้น มนเกิดขึ้นแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายจนมาเป็นเราแต่เราโชคดีตรงที่เราเกิดมาพบคําสอนพระพุทธเจ้าเท้งนั้นเองแต่ท่านเหล่านั้นก็เกิดมาพบมือนกันแต่ว่าการพบกัลยาณมิตรนั้นเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดมาแล้วถึงแม้พบพระศาสนาแต่ไม่พบกัลยาณมิตรก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในคําสอนพระพุทธเจ้าได้ะนัะ้นนั่นเองก็จึงอยากจะให้เห็นว่า ในการปฏิบัติถ้าเราไม่อยากจะล้มไปซ้ายไปขวาจนกลายเป็นการเวียนว่ายตายเกิดต้องหาตัวนี้ให้เจอต้องหาเลขหนึ่งคือการปรับศูนย์กลางเรากำลังพูดถึงเรื่องศูนย์กลางคือมัชชิมาปฏิมาหาตัวนี้ให้เจอพอหาตัวนี้เจอแล้วเราจะรู้วิธีการที่จะแยกส่วนของวงกลมเนี่ยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วจะรู้ว่า วงกลมมันไม่ได้มีมาก่อนแต่เพราะสัจธรรมเกิดจากภายในนะจะมาแยกส่วนวงกลมก็จะกลายมาเป็นตัวตัวเลขตัวสมมุติวงกลมนี้ก็เป็นสมมุติเพราะแยกออกมาทั้งสองส่วนประกอบกันมันเป็นสมมุติและเป็นประมัตดเพราะนั้นวงกลมควรจะเป็นสมมุติหรือตัวแบ่งเส้นแบ่งควรจะเป็นสมมติเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า เส้นแบ่งกับวงกลมเป็นสมมุติกับปรมัตดนะจะถามพวกเราทั้งหลายว่าวงกลมควรจะเป็นสมมุติหรือเป็นปรมัตดเส้นแบ่งควรจะเป็นสมมติหรือเป็นปรมัตดคนมันเรื่มมาจากตรงนี้เองแต่สัตว์มันจะเป็นไปนอย่างนี้ติริยังแปลว่าขวางติอริยังที่มาแปลว่าเดริชานมันมาภาษาบาลีว่าติริยังถ้าสภาพใดที่ไปทางขวางคือสภาพที่ล้มใช่ไหมเมื่อจัก ต่างปับ๊บมันก็จะวงกลมบวกเส้นเมื่อจะมาตอนเข้ามันกลายเป็นกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้มนุษย์จึงมีโอกาสที่พัฒนาไปเหนือโลกได้ไงเพราะนั้นในในจุดนี้เราต้องค้นพบตัวนี้ให้เจอแล้วคุณจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าคุณคน้นความไม่เจอความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คุณก็จะเปิดมาเส้นนี้เพราะอันนี้รากเดิมของเราคือความเป็นสัตติอริยยังแปลว่าเดรัจฉานแปลขวางไง เราจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนหรือไม่เป็นคนว่าคนนี้คําพูดขวางหูคนไหมสายตาขวางขวางตาคนไหมใจคิดขวางคนไหมความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูตรงนั้นเมื่อใดความคิดเขาเป็นตรงเป็นสมาธิถิอุชุปฏิปนุมันก็จะตรงเนี้ยการปฏิบัติตรงไปตรงมาความเป็นมนุษย์จะนับเปอร์เซ็นต์กันดึวยความตรงไปตรงมา ยิ่งคดมากเท่าไหร่โอกาสที่จะเป็นนี้ก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาพยายามจะแปลงเส้นนี้ให้เป็นเส้นนี้แปลงความเป็นขวางความเป็นสัตว์ให้เป็นคนแต่อย่างน้อยให้เลื่อนก่อนที่จะเป็นคนอย่างสูงสุดเป็นมนุษย์ที่แท้ต้องพยายามปลูกเส้นนี้ขึ้นมาอย่างน้อยให้เป็นท่านใช้คำว่าโพธินะโพธิสัตว์ไม่ใช่โพธิมนุษย์หรือโพธิคนนะแต่ใช้คำว่าโพธิสัตว์ ถ้าปลูกตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นเส้นนี้ได้สําเร็จคือเป็นโพธิสัตว์ก่อนยังไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์นะมนุษย์สมบูรณ์ท่านหมายถึงพระอริยเจ้างนั้นพวกเราที่พยายามปลูกเส้นนี้ให้มันตรงจะกี่เปอร์เซ็นก็ตามถ้าทําเมื่อไรได้สําเร็จคุณก็เป็นพระอริยะแต่ถ้าทํำไม่สําเร็จเส้นนี้มันก็ล้มบ้างตั้งบ้างเรื่อยๆเพราะเ้าเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่รู้นี่ยิ่งใหญ่เพราะท่านได้ค้นพบเส้นนี้ แต่ก่อนหน้าที่เราไม่รู้อะไรก็เราก็คือเส้นนี้แหละนะเราคือเส้นนี้นั่ น, น, นเรื่องของการที่เรามาปฏิบัติเพื่อมาปรับจิตให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นนะนะแต่ที่แล้วมามันก็คือเส้นนี้บ้างส่วนจะเอียงมากเอียงน้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะก็แล้วแต่สมมติกันไปที่มันจะลุมไปในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แต่ละวันนะจิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้บางครั้งลาบเลยบางครั้งก็สูงขึ้นมาเรื่อยเรยจนงครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ เพราะนั้นเองเราก็อยากจะให้มาฝึกเพื่อปรับจิตของเราให้ตรงแต่จิตของเรามันจะตรงก็ผ่านร่างกายที่ตรงก่อนนะฮะังั้นถ้าเราหาความผ่อนคลายหาสูงกลางไม่เจอจิตมันก็จคตงอไปตามอะไรอำนาจของเวทนาลงไปทางสุขบ้างลงไปทางทุกบ้างลงไปทางสุขมันไปทางนี้ลงไปทางทุกมาทางนี้ แเมื่อใดเราไม่ลงไปในส่วนทุกมันเป็นอย่างนี้ฮะมันก็เกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือเท้าของมนุษย์ละมันกลายมาเป็นตัวเรายืนบนตลอดเวลานะั้นเรายืนบนความสุขความทุกข์คือตัวนี้ถ้าเราติดในความสุขบนทุกข์เราโอกาสล้มที่จะเป็นสัตว์เบิ้งสูงและสัตว์เบิ้งต่ำได้สัตว์เบิ้งสูงนับแต่พระอินทร์พระภูมิเทวดาล้มตามความสุขสัตว์เบิ้งต่ำก็คือ เปรตอสุรกายใ น, นล้ลมไปตามความทุกข์ทุกขเวทานาต่างๆทุกไปทางนี้สุขมาทางนี้แต่เส้นนี้ยังไม่แน่ว่าคุณจะสุขเมื่อไรคุณทำให้แน่นอนอทุกขก็มาสุขมันกลายเป็นตัวนี้สุขเวทานาทุกขเวทานาอทุกขก็มสุขเวทานาคุณสามารถปลูกเส้นล้มไปทางสุขเวทานาขึ้นมาได้เป็นศีลถ้าคุณสามารถปลูกทุกขเวทนาขึ้นมาได้เป็นสมาธิถ้าคุณสามารถปลูกให้ตรงได้มันเป็นตัวตัวปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้จิตทุกคนตรงได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี้ว่าผันทนังจะปรังจิตังทุรักขังทุนนิวารยังอุชุงกะโรติเมทาวีอุจุกะโรจเดชะนังท่านบอกว่าจิตนี้ดิ้นลนกวดแกวงห้ามยากรักษายากเที่ยวไปอุชุงอุชุอุชุอุชุงกะโรติเมทาวีผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะทำจิตนี้ให้ตรงได้ อุชุการโอจะดเดชนงังเหมือนกับช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นบอกผู้มีปัญญาที่จะทําจิตนี้ให้ตรงได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาทั้งหลายมันก็ต้งล้มไปทางสู่บ้างล้มไปทางสู้บ้างดีขึ้นมาหน่อยก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นมาขยับขึ้นมาก็เป็นไรนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะขยับขึ้นมาเป็นจุดนี้ได้นั้นก็คือเมื่อความเป็นมนุษย์ตรงได้ความที่จะเข้าสู่ ลัทธิมีแห่งว่าผลนิพพานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราตรงนี้ จ, จึงเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเสมาธรรมจักรใช่ไหมกลุ่มธงเสมาธรรมจักรและในธรรมจักรนี้ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นกี่แฉกแปดแฉกใช่แต่ถ้ามันเป็นวงของเวียนว่ายตายเกิดมันจะแบ่งเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองแฉกได้แก่วงของปะิจั่มบวนั่นเองก็จะแบ่งเป็น เพราะนั้นบางวงถ้าเป็นพระพุนไปดูสิบสองแฉกมันหมายถึงนั่นวงแหง่งสมุทัยให้เกิดทุกข์คือปฏิ ส, สุบัทแต่ถ้าวงนี้แบ่งเป็นแปดแฉกนั้นแสดงเป็นธงธรรมจักรมันจะหมุนไปทางนี้ใช่ไหมถ้าทำมาจัดมันก็จะหมุนไปทางนี้หมุนไปคนละทางเรียกว่าสมุทธยทวาลและนิโรธทวารถ้าหมุนไปทางเวียนว่ายแตเกิดคือปฏิ ส, สุบัดเรียกว่าสมุทธยทวาร คือเป็นไปเพื่อการเกิดทุกข์แต่ถ้าหมุนไปทางดับทุกข์เรียกว่านิโรธทวารเป็นธรรมจักรธรรมจักรกับปวัฒนนสูตรจึงเป็นธรรมเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องทางสามทางคือทางสายกามสุขานิโยโญที่คุณติดสุขมากเกินไปเป็นกามหมวกมุ่นในความที่จะแสวงหาความสุขหาความสบายใส่ตัวเองก็ยังไม่ค้นความเป็นสัตว์ ธละหมกมุ่นในการเครียดต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความสุขแต่ยังไม่พบคุณก็เป็นทุกข์เป็นอตัตตาเกณฑ์มาทะลุล้มไปทางนี้แต่พบแล้วคุณก็ยึดติดมาเต็มที่คุณก็ล้มมาทางนี้อีกทั้งพบแล้วไม่พบมันก็ลมก้มเหมือนกันทั้งสุขทั้งทุกข์แต่เมื่อใดคุณพบกเริยะนมิตรพบพระเจ้าและพบพระริเจ้าพระหรหันทั้งหลายมาบอกว่าทั้งเส้นนี้และเส้นนี้คุณก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะคุณเบิดเส้นนี้คุณก็วิ่งมาเส้นนี้ คุณเบิดเส้นนี้คุณก็วิ่งมาเส้นนี้ตลอดกับกันมันก็จะกลายมาเป็นตัวสมทญทวารเขตนเกิดทุกข์แต่วันหนึ่งคุณได้เจอการยนตมิตรเจอผู้ที่เจ้าพระหันทั้งหลายได้บอกว่าคุณร่มมนนี้คุณก็ทุกข์รมมนี้คุณก็ยังทุกข์อยู่คุณก็เวียนว่าแต่เกิดตามหลักนี้แต่คุณควรที่จะออกจากเส้นนี้โดยการทำเส้นนี้ให้ตรงทําจิตให้ตรงเสียแล้วคุณจะพบ ทางออกนั่นคือมักมีองศา เ, เส้นตรงมักเบี่ยงไปเป็นเส้นตรงดังนั้นเองเราจึงพูดถึงธรรมจักรกันมากนะแต่เมื่อทางเส้นตรงแล้วคุณจะต้องเกิดอะไรจักหุงอุทาบทิยานังอุทปบิปัญญาอุทาทิวิชาอุทาิอโลกุอุทปบทิคุณต้องเกิดทรห้าประการหนึ่งคุณต้องเกิดหูตาว่า มันจะไปทางนี้ที่จะไปทางนี้หรือคุณจะไปทางนี้ต้องเกิดตาก่อนเรียกว่าธรรมะจักูุและตาที่จะเป็นธรรมะจักษได้ต้องจํากัดอยู่ว่าเป็นญาณสองปัญญาสาวิชาสอะโลกะตัว น, นี้ก็คือธรรมะจักษุจักขุงอุทาปฏิญาณังอุทาปัญญาอุทาปฏิวิชาวิท อ, อโลโกอุทาปฏิ อันนี้คือรู้รู้รอบรู้หลักการทั้งหมดแล้วก็สว่างสวยัยอโลอโลกาเรีว่าสว่างสวยัยคือปัญญาคือญาณปัญญาหรือวิปัสนาญาณอะไรก็แล้วแต่ในญาณทั้งสในธรรมจักจะต้องการให้เกิดธรมธรมจักสุและธรรมจักุเกิดจากอะไรก็เกิดทั้ง4ตัวนี่เอง นเวลาเราสวดจากคุงทัพปาริยานังทัพปาริปัญญาทัปฏิวิชาทัพปะฏิอโลโก์ุงทปาริจะขู่เกิดขึ้นเกิดแก่เรายานเกิดขึ้นแก่แล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแก่แสงสว่างเกิดขึ้นแก่เราใช่ไหมคนที่เคยเคยสวดแปลมาเพราะนั้นการที่เราจะไปนี่ได้คุณจะต้องมีสายหูสายตาที่จะเดินเป็นเส้นตรงได้เมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องนําสุภาพปฏิบัติคืออะไรปรับกลายให้ตรง ปรับจิตให้ตรงและให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือเส้นตั้งใช่ไหมอดีตอนาคตคือเส้นเส้นนอนถ้าคุณปล่อยจิตไปอดีตอนาคตบ่อยๆคุณก็ยังเป็นอะไรอยู่ถ้าเป็นสัตว์นิยามนะต้องใช้ว่าเป็นโพธิสัตว์ <c oughs> คุณก็ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ใช่เป็นพระ อ, อริยะแต่เมื่อไหร่คุณปลูกเส้นนี้ได้สําเร็จความเป็นอริยะก็เกิดขึ้นอริยะท่านก็มาแบ่งเป็นกี่ชั้นคุณปลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณปลูกได้ยี่ห้าคุณเป็นอะไรอริยะชันโสดาบันคุณปลูกได้ห้าสิบเป็นอ่าโสดาอ น, นี้ลปลูกได้สกีท า, าแล้วปลูกได้เจ็ดสิบเปอร์ซ็นตเป็นนาคาแล้ปลูกได้ร้อยเปอร์ซ็นเป็นอรหันนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นมาเราขึ้นน่ะ กวจะตรงใช่มขึ้นยี้าเอซ็นะเอ็นขึ้นมาย5 5ห้าเ0 0เซห้าสเอซปอร์ซเอร์มันก็ขึ้นมาท่านี้ก็เช่นเดียวกันนะลักษณะเดียวกันนะาการเราเป็นแขนเป็นขาใช่ของมนุษย์ที่จะต้องเป็นเครื่องมือนในการสแสวงหาในเรื่องของตัวความเป็นมนุษย์คือความตรง งอกเป็นแขนเป็นขาทั้งห้าขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่อะไรบางอย่างที่มันเป็นที่เราอ่านรหัสนี่ไม่ออกที่สัญลักษณ์ต่างๆนะแต่พอเราอ่านออกอ๋อชีวิตมีแค่นี้ความพยายามอย่างเดียวในะชื่ิของเราคือพยายามทําจิตนั้นให้อยู่กับปัจจุบันขนาดและทํากายนี้ให้สมดุลอยู่เสมอสมดุลหมายความว่าคุจะยืนตรงๆ ต, ต, ตลอดไม่ใช่สมดุลกายสมดุล จ, นะจิตนะจิตที่ ไม่เอียงไปทางทุกข์เกินไปไม่เอียงไปทางสุขเกินไปปรับสุขปรับทุกข์ให้พอดีร่างกายมันจะสุขจะทุกข์แตกก่ให้มันทุกข์แต่พอดีให้มันสุขแต่พอดีอย่าให้มันมากเกินไปคุณเข้าไปปรับเรื่องอื่นต่างๆปรับเรื่องอาหารการกินปรับเรื่องที่อยู่อาศัยปรับยารักษาโรคปรับที่อะไรต่างๆอาหารการกินต่างๆปรับให้มันพอดีแล้วชีวิตของเราก็เข้าสู่ความสมดุลมากขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของเราผู้เข้าสู่ภาคปฏิบัตินะ ในลักษณะอันนี้เป็นทฤษฎีอยู่ใช่ไหมในภาคปฏิบัติเราทําอยู่แล้วอะ่ะแต่เราเห็นความสําคัญมันน้อยไปไม่ใส่ใจอย่างจริงจังเพราะเรายังไม่รู้ที่ไปที่มาของมันแต่เมื่อเรารู้ที่ไปที่มาอย่างนี้เราก็จะอืมมีความตั้งใจมากขึ้นมีศรัทธาที่จะทํามากขึ้นมีความเพียรที่จะปรับมากขึ้นนะก็ใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์และความอยากใช่ไหม เพราะนั้นการฝึกสติปัญญาจึงเป็นภารากิจที่สําคัญของความที่ต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าไม่ฝึกสติปัญญาให้เกิดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นเป็นแกนสําคัญที่จะปรับตัวปรับคือตัวสติปัญญานี่ยปรับเส้นลาบให้เป็นเส้นตรงได้เนี่ยนะต้องปรับแล้วปรับปริปรับอย่งั้นแหละหน้าที่ของเราถ้าปรับถูกเราจะรู้สึกเป็นไง ผ่อนคลายและสบายถ้าปรับผิดเราจะรู้สึกเครียดและเกิ่งไม่สบายทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นถูกผิดนั้นเราสามารถตัดสินได้เดยเองไหมไม่ต้องไปถามพระพูทธเจานะท่านท่านมันมีอยู่แล้วในใกายในใจของเราแล้วทาไปแต่ถ้าหากว่าผ่อนคลายสบายเกินไปเป็นไงสุดตุงไปทางกลามาสุขานุ ก, การนิโยละแล้วตึงเกินไปจนทนไม่ได้เป็น อาจจะหรือว่าก็กลับไปที่เดิมอีกล้มไปที่เดิมอีกนะเพราะฉะนั้นการประคับประคองความอาพอดีองความระหว่างสบายและไม่สบายจึงเป็นภารกิจที่ใช่ความเพียรความเพียรสูงมากใช้ศรัทธาที่จะทำความเพียรที่จะทำประคับประคองซึ่งมันก็จต้องเต็มไปด้ยวยความระมัดระวังสติสมิยะดังนั้นท่านจึงบอกว่าผู้ที่ เข้าถึงสภาวะความเป็นมนุษย์สูงสุดคือเป็นผู้มีสติสัมปชญะสมบูรณ์เท่านั้นนะถ้าไม่ได้บอกว่าคุณจะรู้วิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่มิริดเด็ดปฏิหารอะไรต่างอันนั้นเป็นเป็นของแถมเป็นของเก่าที่ติดตามมาเท่านั้นเองแต่คุณไม่ได้บําเพ็ญของเก่านี่มาศิลป์่นี้ก็ไม่ได้เกิดคุณจะทําไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดนะเหมือนก่บคุณมีนิสัยทางด้านเป็นนักศิละปะมาก่อน คุณไปเรียนจบอะไรมาคุณก็ยังเป็นศิลปะในตัวของคุณเองเนี่ยนั่นมันมีมาแต่เดิมเพราะฉะนั้นในคุณวิเศษต่างๆคุณจะเป็นบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมมันก็มีอยู่ดีแต่ถ้าถ้าคุณบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคุณวิเศษเหล่านี้มันดีตรงที่คุณใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าคุณไม่รู้ธรรมสูงสุดตัวคุณสมบัติที่ได้เหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือทําลายคุณก็ได้ถ้าคุณใช้ไปทางผิดอ่านั่นเอง ในภาคปฏิบัติในแต่ละเวลานาทีก็ปรับกายให้สบายปรับใจให้สงบโดยอาศัยหลักความพอดีไม่สบายเกินไปถ้าสบายเกินไปจิตคุณกลับไปเป็นสัตว์อีกถ้าไม่สบายเกินไปจิตกลับลงไปที่เดิมอีกถ้าปรับให้พอดีมันก็ความเป็นมนุษย์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปรับความพอดีให้อยู่ในระดับเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่นั่นคือการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเรียกว่าปรมัตารย์นะ แต่ถ้ามันยังขึ้นขึ้นลงๆอัปอัปอัลดาวอยู่นะมันยังไม่นิ่งคงที่ยังไม่คงที่เนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎของอนิจจังอยู่นะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยสําหรับพวกเราทุกคนลองไปศึกษาดูนะจะ <ES> ไปทําอะไรมากกว่าที่หลวงพ่อพูดนี้ไม่ได้คุณเพียนขึ้นมาหลวงพ่อไปรับผชอบเลยไปทําให้พอดีมันจะไม่มีปัญหาคุณไม่ต้องกลัวนะะ แล้วก็ความพอดีไม่พอดีหนักบาเนี่รู้ด้วยตนเองไม่ต้องไปบอกกันนะรู้ด้วยตนเองว่ามันหนักหรือมันเบาปัญหามันเกิดหนักคุณแก้ทันไหมเบาเกินไปคุณไปเสกมันหรือเปล่าแก้แค่นั้นนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยดังนั้นการเดินนั่นเหมือนกันถ้าเดินเพื่อหนักเบานี้ถ้าเราใช้เป็นอุปรกรณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อปัญหามันจบคุณก็ควรจะลดหนักและเบาลงอยู่ในระดับพอดี เร็วช้าเหมือนกันคุณใช้มันเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาจบคุณก็ลดความเร็วความช้าลงอยู่ในระดับพ่พอดีเพราะนั้นเอามาเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกไออะไรตัวสไปเดอร์แมลงมุงมันใช่ไหมเวลามันสร้างหลังมันก็มันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่มันก็สร้างเป็นตาข่ายเวลาแมลงทั้งหลายมามันก็วิ่งมา ตุงที่จะขายไอ้เจ้าตัวสไปเดอร์มันก็จะไปจับมากินเป็นอาหารพอมันก็มาอยู่ตรงกลางอีกแล้วคอยดูว่าไอสัตว์ตัวไหนมันจะมากระทบตัวนั้นมันไปจับเราก็มาอยู่ตรงกลางนี่เป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดไ้เป็นเครื่องมือของมันที่กูจะออกจากศูนย์กลางนี้นะวิ่งไปแต่เมื่อคุณจัดการกับปัญหาแล้วคุณก็กลับมาอยู่ที่เดิมคือจิตของเราอยู่ตรงกลางคือคือความเป็นมัชชิมา เมื่อมีปัญหามลกระทบทางตาหูาจมกูกลิ้นกายใจคุณก็ไปจัดการมันซะพอจัดการเสร็จคุณก็เอาจิตมาไว้ตรงกลางนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จุดกลางตรงนี้จิตของเราก็วิ่งว่อนไปนกับเนี้ตลอดเป็นอะไรเป็นวัฏจักรแหละใช่หัหยเป็นสังสารวัตละนะเพราะนั้นในลักษณะของนิพพานก็เกิดจากสังสารวัตนั่นเองแต่มันไม่มาอยู่จุดกลาง นิพพานอยู่จุดกลางของสังสารวัตนิพพานสังสารวัตก็อยู่ในวงเดียวกันแต่ว่านิพพานมันอยู่วงกล ม, มตรงกลางมันไม่ต้องเวียนว่ที่กว้างเกินไปเวียนว่าไม่ต้องเวียนว่ายละมันเป็นจุดๆท่านจึงอุปมาเหมือนไอ้หลังมแมลง<อ>มุเทียชัดเจนมากเลยนะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายคุณก็ไปจัดการให้เสร็จกรรมาอยู่ตรงนี้ แต่ไอการที่คุณจัดการแล้วยังวนอยู่เนี่ยคุณก็ยังเป็นดีดเอกไปจากจุดถ่วงกลางคือปรมัตถนิพพานเนี่ยคุณก็ต้องเห็นว่าแต่เกิดวงแคบบ้างวงนอกสุดคุณอาจจะเป็นวงอะไรนรกใช่ไหมวงในเข้ามานนิจถึงเป็นวงของเปลตวงในเข้ามานนิถึงเป็นวงของอสุรกายวงในเข้ามานนิจถึงเป็นวงของเดรัจฉานวงในเข้ามาในนิถึงเป็นวงของพระพรหม วงในก็ไม่นี่เป็นภูมิของเทวดาวงในนี้เป็นวงของมนุษย์ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีที่ห้าความเป็นมนุษย์มีเปอร์เซนต์ร้อยเอร์เซนี่ยถ้าคุณมีศีลข้อที่หนึ่งคุณเป็นมนุษย์ยี่เปอร์เซนตถ้ามีศีลข้อที่สองสมบูรณ์คุณเป็นมนุษย์เท่าไหร่สี่สิเอร์ซถ้าคุณมีศีลข้อที่สามสมบูรณ์คุณเป็นมนุษย์ขึ้นมาหกสิบอร์ซนถ้าคุณมีศีลข้อที่สี่ความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ แปดสิบเอร์ซ็นมีศีลข้อที่ห้าความเป็นมนุษย์ของคุณก็เต็มร้อเปอร์เซขึ้นมาสู่จุดเนี้ใช่ไหมเอ๊ทฤษฎีมากเกินไปหรือเปล่าเพราะหลวงพ่อเคยอยู่สนมกุกเมื่อก่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยศึกทางวิ ญ, ญญาณนะก็มีหน้าที่ในการอนุบาลนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วนะเมื่อก่อนพวกไปอยู่สนมกุกถ้าอยู่นานปีเข้าก็สามารถที่จะต้องอธิบายภาพในมหาวิทยาลัยศึกทางวิ ญ, ญญาณแก่แขกญาติโยงที่มาเรียนได้เขาก็จะใช้เนี่ย จนป่านนี้เขยังทําอยู่แต่หลวงพ่อออกตรงนั้นมาตั้งนานแล้วหลายปีนะก็มาแปลงตัวที่อยู่ในสมมุกให้เป็นความจริงเป็นแั้จริเป็นประมัตนะอันนั้นเองตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจวันนี้ที่เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ความจริงจากตัวเองแล้วก็เน้นว่าทําแต่พอดีและจะไม่มีปัญหา